วันนี้เราจะมาบูชาพระพุทธเจ้ากันการบูชามีหลายระดับเอาดอกไม้ทุกเทียนมาบูชาเรียกอามิสบูชาอีกอย่างหนึ่งคือปฏิบัติบูบชานี่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราบูชาได้แค่อามิสบูชาถือเทียนเดินไปรอบๆให้มันหกเลพื้นเล่น เดินเรื่อย เ, เปลยไม่มีสติอะไรเงี้ยบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนถ้าเราฉลาดเราปฏิบัติบูชาไปด้วยเดินไปด้วยความรู้สึกตัวหรือเราเดินจงกรมบูชาท่านทั้งอามิสบูชาทั้งปฏิบัติบูชาก็ควบกันไปในขณะเดียวกันเลยนี่ทำอย่างนี้ก็ได้บุญเยอะ การทำบุญบางทีก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเหมือนกัน้ขาดสติขาดปัญญาก็บุญน้อยพวกเราก็หัฝึกอยู่เรื่อยๆพยายามทุกก้าวที่เดินเดินด้วยความรู้สึกตัวหัดจนเป็นนิสัยหลวงพ่อไม่เคยเดินไปเหยียบตัวอะไรตัวอะไรนะเ ด, นเดินไปตามพื้นเห็นเด็กๆมันมาเหยียบเอาไว้เรื่อยล่ะ หอยท่องหอยทากล้วเดินด้วยความรู้สึกตัวไม่ไม่บาปไม่อะไรได้บุญไปทุกขณะทุกก้าวที่เดินเนะีย่ยพวกเราพยายามหลอมรวมการเจริญสตินเะข้ามาอยู่ในชีวิตจริงๆของเราให้ได้ถ้าเรามีสติอยู่ยืนเดินนั่งนอนมันก็เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและไม่ใช่บุญธรรมดาเด้วย เป็นบุญใหญ่ถึงขนาดจะพาเราข้ามโลกไปคนคนหนึ่งกว่าจะข้ามพพข้ามชาติได้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกแต่ถ้าเอาแค่มักผลเบื้องต้นนะก็พอ ง, ง่ายไม่ยากสมัยพุทธการเขาฟังเทศพระพุทธเจ้าก็บรบรลุกันแล้วโสดาเยอะแยะสกทาคาเยอะแยะดูไม่ยากเท่าไหร่ พวกเราฟังเทศเยอะแล้วไม่ค่อยได้เราต้องรวมการปฏิบัติเข้ามาในชีวิตจริงให้ไดนะ้อย่าไปวัดภาพว่าการปฏิบัติทำกัการใช้ชีวิตจริงๆนะันแยกออกจากกันนะถ้าเราเห็นว่าการใช้ชีวิตอยู่นี่แหละคือการปฏิบัติแล้วก็ดีแล้วจเจริญเร็วถ้ายืนอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนอนอยู่ด้วยความรู้สึกตัวจิตก็ทรงสมาธิอยู่ทั้งวัน ได้สมาธิขึ้นมายืนอยู่ก็เห็นร่างกายมันยืนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายไม่ใช่เรานี่เจริญปัญญาอยู่ถ้ารู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจนะได้สมาธิขึ้นมาแนละ้วถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจก็ได้ปัญญาขึ้นมาเป็นบุญใหญ่งั้นเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบตัวเองเราไปเดินสามรอบดูว่าจะหลงกี่ที เราเวียนเทียนรอบสารานี้นะที่มันเล็กไม่ได้ทําไว้เวียนเทียนให้คนเยอะๆหรอกที่มันแคบๆแต่ปีหน้าเราจะเวียนไปที่โบสถ์นะไปเวียนที่โบสถนะ์มีทางเดินที่กว้างกว่านี้โบสถ์นะหลวงพ่อจะทําให้เล็กๆนะเล็กไปเล็กมาแตวเนี้ยใหญ่กว่าสาลานี้แหละ จะทำให้ย่อมๆกระทัดรัดครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต้องทำทางเดินรอบบวถข้างในด้วยอยู่ใต้หลังคามันมีทางเดินรอบขึ้นมมานะเลยมโหลานเลยโตกว่าสารานี่อีกแล้วยังมีทางเดินรอบๆข้างล่างอีกที่ตัวนี้เกือบหมดนะข้างหน้างั้นเดินให้สะใจเลย เมื่อเช้าไขรมาบ้างเขามากันหมดเลยไม่ชาวรู้เรื่องเลยเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทปฏิจจสุบัทสําคัญมากเลยถ้าเห็นแจ้งปฏิจจสุบัทมันก็ข้ามภพข้ามชาติได้ในปฏิจจสุบัทิสบสอขั้นตอนถ้าสิบสองขั้นตอนมีแต่เรื่องรูปนาม อวิชชาเป็นรูปหรือนามตัวอวิชชาเป็นนามธรรมแต่ความไม่รู้แจ้งในรูปนามไม่มีเรื่องรูปนามเน้แต่ตัวความไม่รู้ตัวอวิชชาเป็นตัวโ oh oh oh oh. มหะเป็นนามธรรมตัวสังขารเป็น isions, รูปธ <c oughs> รป <ureau> รมหรือนามธรรมนามธรรมตัววิญญาณเป็นนามธรรมตัวนามรูปเป็นรูปนาม ตัวเวทนาตัวภาษาภาษาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมภาษาเป็นนามธรรมนะเวทนาเป็นนามธรรมตัณหาเป็นนามธรรมใช่ไหมอุปาทานเป็นนามธรรมพบเป็นไรพบเป็นการกระทํากรรมก็ตัวสังขารนันะ่นแหละเป็นนามธรรมพบกับสังขารนะ่ะตัวเดียวกันนะจะอยู่คนละระดับตัวนั่นเอง สังขารนะอวิชาปรุงสังขารขึ้นมาก่อนจะมีรูปนามถ้ามีรูปนามแล้วมาปรุงต่ อ, อเรียกว่าพบชาติหละรูปประธรรมหรือนมามธรรมทั้งรูปทั้งนามความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้รูปทั้งนามตัวทุกข์ละ <c oughs> เอาแล้วสิไป <c oughs> ดูเอาเองก็แล้วกัน <c oughs> สิบสองขั้นตอนนะท่านสอนนะก็จะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันเนะนี่หลักธรรมะของผู้เจ้านะอัศจรรย์มากเลยท่านสอนถึงสิ่งซึ่งเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์กันนะสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาไม่ได้ปรากฏลอยๆต้องมีเหตุมันถึงจะเกิดสิ่งสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นประกอบด้วยเหตุจํานวนมากเลยนะไม่ใช่หนึ่งต่อนหนึ่งด้วยในความเป็นจริงประกอบด้วย เหตุปัดจใจํานวนมากแนะล้วเหตุจะปัจจัยแต่ละตัวแต่ละตัวไม่สามารถควบคุมได้นะทั้งนํารูปทั้งหลายก็เป็นอนัตตานะการทํางานสืบเนื่องกันไปตามหน้าที่ก็เป็นอนัตตาไม่มีใครควบคุมมันไดนะ้อย่างราคาจะเกิดนะราคาต้องมีเหตุอะไรการมาราคะมีอะไรเป็นเหตุนะ มีการ ม, มาวิตกเป็นเหตุการตรึกเรื่องกรรมอย่หลวงพ่อสอนพระนะี่กลัวมันราคะกามราคะอย่าไปคิดก็แล้วกันถ้าคิดนะให้แน่แค่ไหนก็พังต้องไม่น้อมใจไปคิดเรื่องในกรรมโทสะก็มีเหตุให้เกิดมีพยาบาทวิตกอะไรเงี้ยแต่ละตัวนะั่นจะมีเหตุมีผลสัมพันธ์กันไปแล้วมีหลายแฟกเตอร์ไม่ใช่มีตัวหนึ่งต่อหนึ่งนะอย่างก่อนโทสะจะเกิดเนย พื้นฐานต้องมีอนุสัยที่โมโหต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีขณะที่กระทบต้องไม่มีสติเกิดขึ้นมีหลเงื่อนไขเลยกว่าที่สภาวะธรรมตัวหนึ่ ง, ต, งตัวหนึ่งจะบุบัติขึ้นมาล้นแต่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นะพระพุทธเจ้าบางองค์ท่านเห็นไล่ปฏิจจสมบัทลงไปไปถึงวิญญาณท่านอะไรมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่วิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่อะไรมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่ ท่านเพราะว่านารูปมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่นี่พระองค์ท่าเห็นเห็นตรงนี้เลยนํารูปมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่จริงไหมนะก็เกิดวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอาศัยนะนามรูป น, นั่นเองท่านวิญญาณเป็นปัจจัยของนารูปนํารูปเป็นปัจจัยของวิญญาณจนะหมุนอยู่เนี้ยวัฏ ต, ตะก็หมุนหมุนหมุนไปด้วยพระพุทธเจ้าของเราแค่นี้ไม่พอท่านนะ ลึกลงไปอีกท่านเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาทิกะปัญญาท่านใกล้ท่านสาวลึกลงไปอีกอะไรมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่เห็นสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่อะไรมีอยู่สังขารจึงมีอยู่อาวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่จริงท่านลงไปลึกอีกชั้นหนึ่งแต่พวกเราไม่ค่อยเรียนอะไรมีอยู่อาวิชาจึงมีอยู่รู้ไหม อาสะวะมีอยู่อวิชาก็มีอยู่แล้วอะไรมีอยู่อาสะวะจึงมีอยู่อวิชามีอยู่อาสะวะจึงมีอยู่นอาสะวะมีอยู่อวิชาจึงมีอยู่ท่านไล่ลงไปถึงนี้แต่สอนเยอะท่านกลัวพวกเราปวดหัวมั้งสอนย่อๆหน่อย <c oughs> ภูมิปัญญาของพวกเทพเจ้าเรานะลึกซึง้งความบริสุทธิ์นั้นเท่าๆกันแต่ปัญญาไม่เท่ากันนะ ภาษาลิบุตท่านเคยชมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่มีใครมีปัญญายิ่งกว่าท่านนะแต่เสมอมีเดียพระพุทธเจ้าบางองค์เสมอกันแต่ไม่มียิ่งกว่าในในเราก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปัญญาที่กะเราก็ใช้ปัญญาให้เยอะหน่อยก็แล้วกันแต่ปัญญาไม่ใช่ฟุ้งซ่านคิดเอาเองนะฟุ้งซ่านเนหะ ก็ต้องช่างสังเกตเนี่หนึ่งดูสภาวะธรรมทั้งหลายจะไปทำแต่สมาธินิ่งซึมกระทือไปใปดูรูปดูนามเขาทำงานไปเรื่อยๆมันจะไปได้เร็วพระสียานพระเสียระยะแม่ตรท่านเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาทิกะเพียนาวพระพุทธเจ้าบางองค์เป็นสมาธิกะทำสมาธิเยอะ พระทเจ้าของเราเป็นปัญญาที่กะจะเร็วที่สุดงั้นพวกเราจะเอาแต่ความเพียรก็ได้นะก็ไปได้เหมือนกันแต่นานหน่อยเดินเดินเดินเดินเดินก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ดีเหมือนกัน <c oughs> สมัยก่อนหลวงพ่อจะเรียกตะบี้ตะบันเดินแต่ฟังแล้วไม่ค่อยเพลาะไม่เอาเอาเรียกพวกขยันเดินก็แล้วกัน ถ้าจะเดินก็มีปัญญาแยกรูปแยกนามไปเลยอย่างนี้เร็วแล้วเดินไปเรื่อยเพียนลำบากยากเข็ญลำบากนานหรือทาสมาธินั้นก็สุขอย่างเดียวเลยสบายอยู่นั่นะไม่ค่อยเห็นทุกข์นะก็นานปัญญานี่เห็นอะไรเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นทุกข์ในรูปในนามนั้นมีปัญญาเห็นทุกข์ในรูปในนามบ่อยๆจิตก็วางเร็ว ปัญญาของพระเจ้าลึกซึ้งความบริสุทธิ์ของท่านลึกซึ้งความการุณาของท่านกว้างใหญ่ไพศาลนะแม่ช้าก็พูดเรื่องความการุณาของท่านสุดเะเห็นอกเห็นใจสัตว์โลกตาแปว๋วแป๋วแต่บางตัวท่านก็ปลดไม่ไหวเหมือนกันสัตว์โลกท่านก็ปล่อยเหมือนกันท่านก็พูดเลยอย่างท่านสอนเจ้าชายองค์หนึ่งที่เป็นคนฝึกมา้า ถ้าบอกมา้าบางตัวนะให้มันกินหญ้าให้กินน้ำนะแล้วก็ฝึกมันบางตัวให้มันกินนิดหน่อยฝึกไปด้วยบางตัวต้องอดเนอะให้มันอดก่อนทรมานมันบางตัวฆ่าทิ้งไปเลยฝึกไม่ได้มีหลายแบบฝึกคนก็เหมือนกันพวกฆ่าทิ้งเลยคือท่านไม่สอนมีเหมือนกันขนาดท่านการุณาเยอะนะท่านยังไม่สอนเลยถ้าสอนแล้วมันบาปมากกว่าเก่า งี้พวกเราที่ชอบสอนระวังเนาะสอนบางคนแล้วมันไม่ได้บุญนะสอนบางคนแล้วมันบาปมากกว่าเก่าให้ยไปสอนมันปล่อยมันไปสอนไม่ได้ก็ปล่อยไปอย่าไปเข็นเขานาะเข็นมากๆแล้วมันโมโหบาปกว่าเก่าอีกคนไหนควรบอกก็บอกคนไหนไม่ควรบอกเราก็เฉยเสียดีกว่านะวันนี้พูดอันนี้เพราะว่าในห้องนี้นักสอนเยอะเลยพี่ดวงพี่เลี้ยงอะไรก็มีเยอะนะให้ฝึกเอา เป็นของเราก่อนช่วยคนอื่นมีโอกาสช่วยก็ช่วยโอกาสทานไปแล้วก็แล้วกันไปหลวงพู่ดูนก็สอนอย่างนี้เอาละนะพอละ เ, ละเละทศนเยอะแต่เช้าแล้วเรามาไหว้พระกันกัน